วัดนี้เราไม่ปฏิบัติตามความรู้ความเห็นความต้องการของคนแต่เราปฏิบัติเพื่อหลักธรรมหลักวินัยหลักศาสนาซึ่งเป็นส่วนใหญ่เพื่อประชาชนทั้งแผ่นดินเพื่ออาศัยศาสนาอันเป็นกีรากด้ือดีงาม เพ่งเกิดจากการประพฤติปฏิบัติของพระเนนด้วยดีแล้วเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่สนใจที่จะปฏิบัติต่อผู้ใดให้นอกเนื้อจากธรรมจากวินัยจากตรัสราสนาไปหากว่าเราได้โอนเองนไปตาม ความรู้ความเห็นของคนง่มากคือหาประมาณมาได้แล้ววัดนี้ก็จะหาประมาณไม่ได้วัดไหนก็หาเขตหาเดือนหาประมาณไม่ได้ก็กลายเป็นวัดไม่มีเขตมีเดือนไม่มีกดเกณฑ์ไปเลยทีนี้ผู้หาของดีก็คือคนฉลาดจะหาของดีไว้ยึดเหนี่ยวน้ําใจ พอเป็นหลับเป็นเฌนก็หาไม่เจอเพราะมีแต่สิ่งเล้วไหลเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเนรเต็มไปหมดทุกแห่งทุกหตนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าวัดไม่วัวดโลคเลยพระเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหาสาระสาคัญไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องแยกแยะว่าศาสนากับโลกแม่อยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกัน ถ้าเนวัดวาอาวาสศาสนาอยู่ในวัดของบ้านก็ไม่เหมือนบ้านคนมาเกี่ยวข้องก็ไม่เหมือนคนต้องเหมือนวัดเหมือนพระเหมือนทำวินัยอยู่เสมอหลักนี้เป็นหลักสําคัญที่จะยึดเหนี่ยวน้ําใจของคนที่มีความเฉลียวฉลาดหาหลักความจริงไว้เป็นที่สักการะบูชาหรือเป็นขวัญใจได้ เราคิดในแง่นี้มากยิ่งกวางง่าแง่อื่นแม้พระพุทธเจ้าผู้เป็นองค์ศาสดา <c oughs> ก็ทรงคิดในแง่นี้เหมือนกันดังจะเห็นได้ในเวลาที่พระองค์ประทับอยู่โดยเฉพาะกับพระนาคิตะเป็นต้นเวลามีประชาชนจต่ทาทรงเสียงเอึอกกระดืหิฮาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงรับสั่งว่าใครเสียงรุ่มเรืองวุ่นวายกันมานั้นเหมือน ก, นกันกับชาวประมงเขาแย่งตากันเราไม่ประสงค์สิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นการทำลายศาสนาศาสนาเป็นสิ่งที่รักษาไว้สำหรับโลกให้รับความร่มเย็ยนเป็นจุขเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาด รักษาไว้แล้วด้วยดีเป็นเครื่องอาบดื่มใช้สอยแก่ประชาชนทั่วไปได้ด้วยความสะดวกสบายาศาสนาก็เป็นเช่นนั้นจึงไม่ต้องการให้ผู้ถึผู้ใดเข้ามารบกวนทําศาสนาให้ขุ่นเป็นตมเป็นโครนไปนี่คือพระพุทธพจน์ที่ทรงสแสดงกับพระนาคิตะจากนั้นก็สั่งให้พระนาคิตะไปบอกเขาให้กลับไปเสีย เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเกี่ยวข้องกับพระสุ่งท่านหาความสงบสงัดเวลาอื่นมีถมไปเวลานี้ท่านต้องการความสงัดนี่หลักเป็นตัวอย่างของศาสด า, า, า, าเราไม่ใช่จะคุกคีตีมงกับประชาชนญาติโดมไม่มีเหตุมีผลไม่มีกฎมีเกณฑ์ ใายก้าวเข้ามาวัดก็ว่าเขาเริ่มใสสศรัทธาอารมณ์ผ่อนผันไปจนลืมเนื้อลืมตัวกลายเป็นการทำลายตนเองและวัดวาศาสนาให้เสียไปวันละเล็กและน้อยจนกลายเป็นตมเป็นโคลนไปหมดทั้งชาววัดชาวบ้านหาที่ยึดเป็นหลักเกณฑ์ไม่ได้ด้วยเห็นนี้เราทุกคน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 ประโยของประชาชนที่จะพึงได้รับก็ต้องด้อยไปตามจนถึงกับหาที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่ศาสนามีเต็มคัมภีร์ใบรันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนพัะไตรปิฎกไม่อดไม่อัน้นเต็มอยู่ทุวัตถุวาแต่สาระสําคัญที่จะนํามาประพฤติปฏิบัติให้ประชาชนทั้งหลายได้รับความเชื่อความน้อมใสย่ยึดเป็นหลักจิตหลักใจ ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์หรือเป็นสิริมงคลแก่ตนนั้นไม่มีทั้งที่ <c oughs> ศาสนายังมีอยู่อยู่เราก็เห็นได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วเวลานี้รกยากใหญ่ที่จะทำให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองและเป็นศักดิพยานแก่ประชาชนผู้เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดก็คือพระเมเหนถ้าพระเมเหนได้ตั้งใจประพฤติปฏบิบัติตามหลักทำหลักที่น ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่แล้วนั่นแหละคือผู้รักษาไว้ซึ่งแบบฉบับอันดีงามแห่งศาสนาและหลักธรรมในไหนเขาจะยึดได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เพราะคนในโลกนี้คนฉลาดยังมีอยู่มากคนงูหาประมาณไม่ได้เมื่อถูกต้องตามใจเขาเขาก็ชมเชยการชมเชยนั้นก็ชมเชยแบบความงูของเขาไม่เกิดประโยชน์ ถ้าไม่พอใจก็ตาหนิดติดเตียนความตาหนิดติดเตียนนั้นก็ไม่เกิดจากไม่เกิดประโยชน์แก่ทั้งเขาและเราด้วยแต่ผู้เชียวช้ญเฉลชมเฉยยังได้เป็นหลักจิตหลักใจแก่เขาด้วยยังเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายชมเฉยผสงค์ก็เฉมเฉยด้วยหลักความจริงเป็นเนื้อนาบุญของเขาได้ด้วย เขาก็ได้รับประโยชน์ด้วย้วยเหตุนี้เราผู้ปฏิบัติถึงจะหนักในข้อนี้ให้ดีไปที่ไหนอย่าลืมนึ้ลืมตัวว่าตนเป็นนักปฏิบัติเป็นองค์แทนพระศาสดาในการดำเนินระศาสนาและประกาศศาสนาด้วยการปฏิบัติของตนเองโดยไม่ถึงกับต้องประกาศ สั่งสอนประชาชนให้เข้าใจเนื้อหาธรมโดยถ่ายเดียวแม้เพียงข้อวัดปฏิบัติที่ตนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นก็เป็นทัศนียภาพอันดีงามให้ประชาชนได้เกิดความเชื่อความนับใจเพราะการได้เห็นได้ยินของตอนดูแล้วยิ่งมีการแสดงอัดธรรมให้ถูกต้องตามหลักของการปฏิบัติ โดยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วขอยิงเป็นการประกาศภาษาศาสนาโดยถูกต้องดีงามให้สาธุชนได้ก็ดึกเป็นหลักใจศาสนาก็มีความจเจริญมุ่งเรืองไปโดยลำดับอยู่ที่ใดไปที่ใดอย่าลืมหลักสำคัญคือศีลสมาธิปัญญา อันเป็นหลักงานสําคัญของพระนี่แหละคือหลักงานสําคัญของพระเราทุกลูกคือเป็นสาวกยบุตรพุทธคินนรตปรากฏในพระพุทธศาสนาว่าเป็นลูกศิษย์พระสถาคตเป็นอยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นอยู่เพียงโคนผมโคลนคิว้วนุ่งเหลืองง่มเหลืองเท่านั้นอันนั้นใครทำเอาก็ได้ สำคัญสำคัญที่การประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของตนศีงพยายามระมัดระวังรักษาอย่าให้ขาดให้ด่างให้คล้อยมีความระเวงระวังอยู่ทุกเริยาบทด้วยสติปัญญาของเราอะไรจะขาดตกบกพร่องไปก็ตามศีลอย่าให้ขาดตกบกพร่องเพราะเป็นสมบัติอันสําคัญของตนเองประจํากับเพศของตน หวังเพิ่งเป็นเพิ่งตายกับผีของตนโดยแทย้สมาธิที่ยังไม่เกิดก็พยายามทุกผฝนอบรมดัดแปลง จ, จิตใจฝ่าฝืนทรมาน จ, จิตใจตัวพยศพระอำนาจของกิเลสนั้นให้เข้าสู่เมือ่อเนือมือของความเพียรในสติปัญญาเป็นเครื่องสกัดลับกัน้นความคะนองของใจอันนั้น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 ยิ่งเข้าสู่ภายในคือการพิจารณากิเลสอาสวะประเภทต่างๆด้วยแล้วปัญญายิ่งเป็นของสำคัญมากปัญญากับสติไม่แยกกันไม่ออกจะต้องทำหน้าที่ไปพร้อมๆกันสติเป็นผู้ควบคุมงานคือปัญญากำลังทางานหากสติได้เผลอไปเมื่อไร งานนั้นก็ไม่สาเร็จเป็นเม็ดเป็นหน่วยเพราะฉะนั้นสติจิงเป็นธรรมจำเป็นที่จะต้องแนบนำในงานของตนอยู่เสมอนี่คืองานของพระให้ท่านทั้งหลายจำไว้อย่างถึงใจแล้วออกพรรษานี้ต่างองค์ก็จะต้องพัดพลากจากกันไปโดยหลักสติธรรมดาคืออนิจจงทุกขังอลาตา ห้ามไม่อยู่เพราะเป็นคติธรรมดาเป็นเรื่องใหญ่นม้นตัวผมเองก็ไปในแน่ใจว่าจะอยู่กับท่านทั้งลายไปนานเป็นถักเท่าไหร่เพราะอยู่ใต้อำนาจของกฎอนิจจังเหมือนกันในขณะที่อยู่ด้วยกันเพิ่งตั้งใจสังเยบศึกษาให้ถึงใจสมคำเรามาประพฤติปฏิบัติคำว่าปัญญา ดังที่กล่าวเมื่อสักครู่ น, นี้คือการพิจารณาคลี่คลายดูส่วนต่างๆที่มาเกี่ยวข้องทั้งภายนอกภายในรูปส่วนมากก็เป็นรูปหญิงในหลักธรรมท่านกล่าวว่าไม่มีอันใดที่จะเป็นค่าสึกแก่เพศสมณะเรายิ่งกว่ารูปหญิง เสียงหญิงกลิ่นหญิงรถของหญิงเครื่องสัมผัสถูกต้องของหญิงนี้เป็นเอกที่จะให้เป็นโทษเป็นภัยแก่สมณะเราให้เพ่งสังรวมระวังให้มากยิ่งกว่าการสังรวมระวังอย่างอื่น สติปัญญาก็ให้คลี่คลายจุดที่สำคัญ น, นี่มากยิ่งกวา่าคลี่คลายจิตการงานอย่างอื่นรูปก็แยกแยะดูให้เห็นชัดเจคคำว่ารูปหญิงนั้นให้ชื่อว่าหญิงความจริงแล้วไม่ใช่หญิงเป็นรูปธรรมดาเหมือนเราเราท่านท่านมีหนังหุ่มหอ ทั่วเสรนทางร่างกายเข้าไปภายในก็มีเนื้อมีหนังมีเอ็น ม, มีกระดูกเต็มไปด้วยของปะเกูลโสกโรกด้วยกันไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอาการใดที่ผิดแปลกจากรูปของเราไปเลยเป็นแต่เพียงว่าความสำคัญของใจนั้นมันว่าเป็นหญิง ความว่าเป็นหญิงนั้นมันสลับลมระภายในใจิตใจอย่างลึกซึ้งด้วยความสัมพันธ์ของตนแต่ไม่ใช่เป็นความกลิงนเป็นความสำคัญต่างหากเสียงก็เหมือนกันเสียงก็เป็นเสียงธรรมดาแต่เราหมายไปว่าเป็นเสียงหญิงเพราะฉะนั้นจิ้มทิ่มแทงเข้าหัวใจบรุษเะพาะอย่างยิ่งนาบวช อย่างลึกซึ้งลึกแทงทะลุเข้าไปจนลืมเนื้อ ล, ลืมตัว <c oughs> กลิ่นก็กลิ่นธรรมดามเหมือนเราเนี่ยก็เพราะเป็นปิ่นคนถึงจองน้ำอบน้ำหอมน้ำอะไรมาปะมาชโลมก็เป็นกลิ่นของอันนั้นต่างหากไม่ใช่ปิ่นของหญิงแฉะแยกแยะออกบูให้ดี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 ของคำว่าหญิกนี้เข้ามาเทียบเคียงกับรูปเสียงกลิ่นรถของเราก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกันโดยหลักธรรมชาติโดยหลักความจริงนอกจากความเสกสรรปั้นยอของใจที่มันคิดไปทั้งนั้นด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยปัญญาพิจารณาขี้ขายาให้ความสำคัญในเนี่ยใดนง่ย น, นยที่จะเป็นข้าศึกแจ่ตนเข้ามาแทรสิงหรือทำลายจิตใจั้งตนได้ ให้สลัดปัดทิ้งด้วยปัญญาอันเป็นความจริงลงสู่ความจริงว่าสัตว์แต่ว่ารูปสัตว์แต่ว่าเสียงสัตว์แต่ว่ากลิ่นสัตว์แต่ว่ารสสัตว์แต่ว่าเครื่องสัมผัสที่ผ่านแล้วหายไปหายไปเช่นเดียวกับสิ่งอื่นอื่นนี่คือการพิจารณาถูกต้องจารพิจรารณาไปในวัตถุสินน่งใดก็ตามในโลกนี้มันเต็มอยู่ด้วยกองนิจังทุกขังอนัตตา หาความกีรังถาวลไม่ได้อาศัยสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะพังลงไปวัตถุใดสิ่งใดก็ตามขึ้นชื่อว่ามีอยู่ในโลกนี้ล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่จะต้องพังทลายเขาไม่พังเราก็พังเขาไม่แตกเราก็แตกเขาไม่พับพลากเราก็พับพลากเขาไม่จากเราก็จากเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยความจากความพับพลากกันอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติ ให้พิจารณาอย่างนี้ด้วยปัญญาให้เห็นชัดเจนก่อนหน้าที่สิ่งเหล่วนั้นจะพัดพลาดจากเราหรือเราจะพัดพลาดจากสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญาของตนอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงเป็นเช่นนั้นจิตใจก็มีความสุขพูดถึงขั้นปัญญาในการพิจารณารูป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 จิตจะหาความสงบไม่ได้จนกระทั่งวันตายตายเปล่าตายด้วยความพุ่งสร้านตายด้วยความพุ่งเฟอเห่อเหิมตายด้วยความไม่มีหลักมีเกณฑ์อยู่ก็อยู่ด้วยความไม่มีหลักมีเกณฑ์หาเหตุหาผลไม่ได้อยู่แบบเลื่อนลอยคนเราทั้งคนอยู่แบบเลื่อนลอยไปแบบเลื่อนลอยเกิดผลประโยชน์อะไรหาความกินหาความแน่ใจที่ไหนได้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 แต่สมาธินั้นไม่กลายเป็นยาเป็นปัญญาขึ้นมาได้ถ้าเราไม่ใช้เป็นปัญญาต่างหากสมาธิคือทำให้จิตมีความ อ, อบอิม่มให้จิตมีความพอใจกับอารมณ์คือทาไม่หิวหวยในความคิดยน้นคิดนี้วุ่นวายสายเสจิตที่มีความสงบจิตต้องมีความเย็นจิตต้องอิ่มในธรรม ตามฐานะของตนแล้วนำจิตที่มีความอิ่มในธรรมนั้นออกพิจารณาที่คลายดูสิ่งต่างๆซึ่งในโลกนี้ไม่มีอันใดจะเหนืออันนิจจงทุกขังอนัตตาไปได้เต็มไปหมดมีแต่สภาพเดียวกัน ใ, ใช้ปัญญาพิงิพิจารณาจะแงใดก็าตามตามแต่จเิบนิสัยที่ชอบพอกับ การพิจารณาของเราให้ยกสิ่งนั้นขึ้นมาพิจารณาจะพ่ออย่างยิ่งเรื่องอสุภะทับกิบที่เต็มเพื่อได้ราคาความกำหนัดดนดีนี่เป็นของคู่ปรับหรือคู่เคียงกันอีกมีราคามากเป็นไรให้พิจารณาอสุภะอสุพังมากอย่างนั้นหนักเย่างนั้นจนกลายเป็นป่าช้าผีดิบขึ้นให้เห็นประจักษ์ใจ ชาคาตัญหานั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อมองดูมีแต่ปฏิคูลเต็มตัวใครจะไปกำหนัดจปนดีในปฏิคูลใครจะไปกำหนัดจปนดีในสิ่งที่ไม่สวยไ ม, ไม่งามน่าอิจนาระอาใจมีเป็นยาแค่อันวยาระงับอสุภะอสุพังประการหนึ่งให้จิตสงบตัวลงไป เมื่อจิตไนี่พิจารณาถึงอสุภะสุพัมหลายครั้งหลายหนจนเกิดความชำนิชำนาญพิจารณาคล่องแคล่วว่องไวทั้งรูปภายนอกทั้งรูปภายในและพิจารณาให้เป็นอย่างไรก็เป็นได้ตามต้องการอย่างรวดเร็วแล้วจิตก็จะรวมตัวเข้ามาสู่อสุภะภายในแล้วจะเห็นโทษแห่งความ อสุภะที่ตนวาดภาพไว้นั้นว่าเป็นเรื่องสัญญาประเภทหนึ่งทั้งสุภะทั้งอสุภะสองประเภทนี้เป็นสัญญาผูกเคียง ก, กันกับเรื่องของราคะเมื่อพิจารณาได้เข้าใจทั้งสองเมื่อนนี้เต็มที่แล้วคำว่าสุภะก็สลายตัวลงไปหาความหมายไม่ได้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 ก็ปล่อยวางทั้งสุภาทั้งอสุภาคือทั้งสวยงามทั้งไม่สวยงามโดยเห็นแต่เป็นเพียงตุกตาเครื่องเล่นอันหนึ่งในขณะที่จิตยังไม่ชำนามเท่าไหร่เมื่อจิตชำนารด้วยเมื่อนเหตุผลทั้งสองประการแห่งสุภา อ, อสุภานี้แล้วยังสามารถมาย้อนย้อนทราบเรื่องความหมายของตนที่ออกไป ปูุงแต่งว่านั้นเป็นสุภะอาสุภาอีกด้วยเมื่อเราทราบความหมายนีอย่างชัดเจนแล้วความหมายอันนี้ก็ดับตัวลงไปและเห็นโทษแห่งความหมายนี่อย่างชัดเจนว่านี้คือตัวโทษอาสุภาไม่ใช่ตัวโทษสุภาไม่ใช่ตัวโทษความสำคัญว่าเป็นสุภะอาสุภาตังหากเป็นตัวโทษเป็นตัวหลอกลวงเป็นตัวให้ยึดถือนานมันเดินเข้ามานี่ การี่จนานณาเรื่องข้ามาอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะกำหนดสุภาหรืออสุภาก็ปรากฏขึ้นอยู่ที่จิตโดยไม่ต้องประแสดงภายนอกเป็นเครื่องหลอกลวงอันไกลเกินไปเห็นปรากฏอยู่ภายในจิตในขณะที่ปรากฏอยู่ภายในจิตนั่นก็ทราบแล้วว่าสัญญาตัวนี้หมายขึ้นมาได้แค่นี้ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ แม้จะปรากฏขึ้นมาอยู่ภายในก็ทราบได้ชัดว่าสภาพที่ปรากฏเป็นสุภาพเป็นอสุภานี้ก็เกิดขึ้นจากตัวสัญญาอีกเช่นเดียวกันรู้ทั้งภาพที่ปรากฏขึ้นภายในใจรู้ทั้งสัญญาที่หมายตัวขึ้นมาเป็นภาพภายในใจอีกด้วยสุดท้ายภาพภายในใจนี้ก็หายไปสัญญาที่คือความสําคัญความ หมายขึ้นมานั้นก็ดับไปเราก็รู้ได้ชัดว่าเมื่อสัญญาตัวเคยหลอกลวงว่าเป็นสุภาอสุภะหลอกให้หลงทั้งสองเมื่อนนี้ดับไปแล้วสัญญาก็ดับไปด้วยก็ไม่มีอะไรจะมาหลอกใจการพิจารณาสุภะพิจารณาอย่างนี้ตามหลักปฏิบัติ แต่เราจะไปหาในคาผีหาที่ไหนก็ไม่เจอนอกจากหาความจริงคือในคาคาผีที่ใจนี้จะเจอมัเป็นรูปรูปกายก็ทราบได้ชัดว่ากายของเราทุกส่วนนี้ก็เป็นรูปมีอะไรบ้างในรูปนี้ อวัยวะทุกส่วนเป็นรูปทั้งนั้นไม่ว่าผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อใดห น, นก็ดูก ม, ม้าหมักหัวใจตับตับทางผิวไตปอดไต ใ, ใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าล้วนแล้วตั้งแต่เป็นรูปเป็นสิ่งหนึ่งต่างหากจากใจพิจารณาเป็นอสุพะมันก็ตัวอสุภะอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่พิจนารณาแล้วคําที่ว่าสิ่งนี้เป็นสุพะสิ่งนั้นเป็นอสุพะ ใทยเป็นผู้ไปให้ความหมาย hmm. สิ่งเหล่านี้เขาหมายตัวของเขาได้ไหมเขาบอกว่าเขาเป็นสุภาเขาบอกว่าเขาเป็นอสุภาไหมเขาไม่ได้บอกว่าอย่างไรอันไดจริงอยู่อย่างไรก็จริงอยู่ตามสภาพของเขาและเขาเองก็ไม่ทราบความหมายของเขาผู้ไปทราบความหมายของเขาก็คือสัญญา hmm. ผู้หลงความหมายของสัญญาก็คือ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 ทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปกายก็เป็นกายทุกก็เป็นทุกต่างอันต่างจินยเจนนาแยกแยะเห็นตามความจริงสัตว์แต่ว่าเมทะนาสัตว์แต่ว่ากายไม่นิยมว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราเบทะนาก็ไม่ใช่เราเป็นของเราเป็นของเขาเป็นของใคร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 สัญญาก็ทราบชัดเจนแล้วอะไรจะไปตึงไปช่วงประยึดไปถือให้เป็นเรื่องยืดยาวต่อไปก็มีแต่เพียงความเกิดความดับภายใ น, ในจิตใจทนั้นนี <c oughs> ่คือสังขารมันเป็นความจริงอันหนึ่งอันนี้ท่านเรียกว่าสังขารขันขันทับแปล ว, ว่ากองแปล ว, ว่าหมวดรูปประขัน เราว่ากองแห่งรูปสัญญาขันปแปลตว่ากองแห่งสัญญาหมดแห่งสัญญาสังขารขันคือกองแห่งสังขารหมดแห่งสังขารวิญญาณขันคือหมดนึกกองแห่งวิญญาณที่รับทราบในขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเช่นตาสัมผัสรูปเป็นต้นเกิดความรู้ขึ้นพอสิ่งนั้นผ่านไปความรับรู้นี้ก็ดับไป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 มั่นถึงมั่นในสิ่งเหล่า น, นี้ว่าเป็นตนเป็นของตนแล้วแบกให้หนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งโลกขึ้นมาภายในใ จ, จิตใจเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นเครื่องตอรบรับหรือเป็นสิ่งที่สนองความสนองก็คือสนองความทุกข์นั่นเองเพราะความหลงของตนพาให้สนองเมื่อจิตได้พิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาอันแหลมคมแล้วนั้น รูปก็จริงตามรูปโดยหลักธรรมชาติากรจักด้วยปัญญาเวทนาสุขทุกข์เฉยในส่วนร่างกายก็รู้ชัดตามเป็นจริงของมันเวทนาทางใจคือความสุขความทุกข์เฉยที่เกิดขึ้นภายในใจก็เป็นเหตุให้จิตไดส้สะแสวงได้พินิตรพิจารณาแม้จะยังไม่รู้เท่าทันสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ยังต้องเป็นเพื่อนกับทวนิต เตือนจิตให้พิจารณาอยู่เสมอเพราะขั้นนี้ยังไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันเวทนาภายในจิตได้คู้สุข ก, ก็ตามทุกข์ก็ตามจเจตฉยก็ตามแต่จะรู้เท่าทันทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเปกขาเวทนาทางกายได้ยอย่างชัดเจนเล่นยานก็สักแต่ว่าต่างอันต่างจริงชัดแล้วด้วยความเป็นจริง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 คือรูปเวตนาสัญญาสังขารมิญาณ น, นี้แต่ไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารมิญาริณหากเป็นจิตรุ่นล้วนอยู่ภายในนั้นนี่เวลามันแยกชัดเจนแล้วมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อจิตได้เข้าใจถึงเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารมิจาริณอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ ง, จงหาสที่สงสัยไม่ได้แล้วก็จะงดตั้งแต่ความกระดิดคลิกแพงความกระเพื่อมภายในจิตโดยเฉพาะเฉพาะ ความกระเพื่อมนั้นก็คือทั้งฐานอันละเอียดที่กระเพื่อมภายในจิตสุขอันละเอียดที่ปรากฏขึ้นภายในจิตทุกอันละเอียดที่ปรากฏภายในจิตสัญญาอันละเอียดที่ปรากฏขึ้นภายในจิตมีอยู่เพียงเท่านั้นจิตเพื่อเจอนาแยกแยกกันอยู่ตลอดเวลา ด้วยสติปัญญาอัตโนมัติคือจิตท่านนี้เป็นจิตที่ละเอียดมากปล่อยวางหินทั้งหลายหมดแล้วขึ้นชื่อว่าขันห้าไม่มีเหลือเลย <c oughs> แต่ยังไม่ปล่อยวางตัวเองคือความรู้ <c oughs> ความรู้นั้นแฝงด้วยอวิชชาที่นี้ <c oughs> นั่นแหะท่านเรียกว่าอาวิชชารวมตัวรวมอยู่ที่จิต หาทางออกไม่ได้ทางเดินของอวิชาก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อไปสู่รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสเมื่อสติปัญญาสามารถตัดขาดสิ่งเันนี้เข้าไปโดยลำดับลหรับแล้วอวิชาไม่ีทางเดินไม่มีบริษัทบริวารจึงยุบยับยุบยับหรือกระดุกกระดิดอยู่ภายในตัวเองโดยหาทางออกไม่ได้สแสดงออกเป็นสุขเวทนาอย่างละเอียดบ้าง ทุกขเวทนาอย่างละเอียดบ้างาแสดงเป็นความผ่องใสซึ่งเป็นของแปลกตลาดหรื อ, อัศจรรย์อย่างยิ่งในเมื่อปัญญายังไม่รอบบ้างจิจก็พิจารณาอยู่ที่ตรงนั้นเมื่อจิตแม้จะเป็นความผ่องใสเพียงใดก็าตามขึ้นชื่อว่าสมมุติยังแทรกอยู่ภายในนั้นแล้ว จะต้องแสดงอาการอันใดอันหนึ่งขึ้นมาให้เป็นที่สะดุดจิตพอจะได้คิดอ่านหาทางแจ้ไขจนได้เพราะฉะนั้นสุขก็ดีทุกขก์ก็ดีอันเป็นของละเอียดเกิดขึ้นภายในจิตล้นล้วนนั้นซึ่งมีอวิชชาเจือปนอยู่นั้นหรือความอัจรรย์ความสว่างสวาย คำว่าความสว่างสวยัยความอัศจรรย์นี้เป็นเรื่องของอวิชชาล้วนๆไม่ใช่เรื่องของวิสุท ธ, ธิธรรมแท้แต่เพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นเมื่อเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วจรลืมถูกอวิชชากล่อมเอาเสียอย่างหลับสนิทถือว่าความผ่องใสนั้นเป็นเราความสุขนั้นก็เป็นเราความอัศจรรย์นั้นก็เป็นเรา ความสงาาพพ่าผ่าเผยที่เกิดขึ้นจากอวิชชาขึ่นฝังอยู่ภายในจิตนั่นก็เป็นเดาเละถือจิตทั้งอวิชชาเป็นเดาโดยไม่รู้สึกตัวแต่ก็ไม่นานเพราะอำนาจของมหาสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากไม่นอนใจคอยสอดคอยส่องคอยที่คิดพิจารณา แยกแยกไปมาอยู่อย่างนั้นตามนิสัยของสติปัญญาขั้นนี้จะนิ่งนอนตัวอยู่ไง่ายๆการหนึ่งเวลาหนึ่งต้องทราบได้แน่นอนโดยทราบถึงเรื่องสุขที่แสดงขึ้นเล็กๆน้อยๆอันเป็นเรื่องผิดปกติทุกแสดงขึ้นมากน้อยนิดๆในหน่อยละเอียดตามพันของผิดนั่นก็ตาม ก็พอเป็นเครื่องสะดุดจิตให้ทราบได้ว่าเอ๊ะทําไมถึงเป็นอย่างนี้ความสงาา่าผ่าเผยที่แสดงอยู่ภายในจิตความอัศจรรย์ที่แสดงอยู่ภายในจิตก็จะมีความวิปริตผลจากบุคคิขึ้นมาเล็กๆล น, น้อยน้อยพอให้สติปัญญาคั้นนี้จับได้เมื่อจับได้แล้วก็เป็นที่ไม่ไหวจักไม่ไหวใจยิงต้องตั้งจิตคือความรู้ล้วนๆ น, นี้ ที่เป็นไปกับเบอวิชานี้เป็นเป้าหมายแห่งการพิจรารณาเมื่อสติปัญญาขั้นนี้ได้จอลงไปถึงจุดนี้ว่านี้คืออะไรสิ่งอื่นทั้งหลายเราได้พิจารณามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจนสามารถถอดถอนมันได้เป็นตัวของตัวเข้ามาเป็นขัข้นๆแต่ธรรมชาติที่รู้ที่ว่าสว่างสวัยที่ว่าจรรัจจั์นั้นคืออะไร อันนี้มันคืออะไรรติปัญญาก็จ่อลงไปพิจารณาลงไปจุดนี้จึงเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาหรือจุดนี้จึงกลายเป็นสนามรบขึ้นมาของรติปัญญาอัอตโนมัติไม่นานนักก็สามารถที่จะทำลายจิต ด, ดวงประเสิฐโดยหลักธรรมโดยหลักอริชา อัศจรรย์ตามหลักอภิชาสง่าผ่าเผยตามหลักเวจาให้กระจายออกไปเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเมื่อธรรมชาติที่เราเสดสานโดยไม่รู้สึกตัวว่าเป็นของประเสริฐอธิจารย์เป็นต้นได้สลายตัวไปแล้วสิ่งที่ไม่ต้องเสดสานปั้นยอว่าเป็นของประเสริฐหรือไม่ประเสริฐนั้นคืออะไรนัก นั่นคือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั่นเมื่อเทียบกับจิตอวิชาที่ว่าเป็นของประเสริฐเลื่อนโลกนั้นอวิชาทั้งดวงนั้นจึงเป็นเหมือนขี้ควายกองขี้ควายกองอดีๆธรรมชาติอยู่ใต้อวิชาที่หุ้มห่ออยู่นั้นเมื่อเปิดเผยตัวขึ้นมาจึงเป็นเหมือนทองคําทั้งแทง่งทองคําทั้งแทงกับปะ กับปองขี้ควายเหลวๆนั้นอันไหนจะมีคุณค่ามากต่างกันนี่ล่ละการพิจารณาจิตเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่ตัดขาดจากภพจากชาติซึ่งมีอยู่กับจิตตัดขาดจากอวิชชาตัณหาเห็นอวิชชาปัจิยาสร้างค้าลา ตัดขาดไปเป็นวิชายัจเวบเสซฟรีราานินิโรธาสร้างฆารานิโรธาวิญญาณนิโรธาเป็นต้นตนตามาทั่งถึงเอวเมีตัสสะเกียวรัสสะบุคคขั้นทัสสะนิโรโทโหติเมื่อวิชาอยู่ภายในจิตใจนั้นดับแล้วะ สังขารที่ปรุงขึ้นมานั้นก็สักแต่ว่าสังขารล้วนๆไม่เป็นสมุทยัยสังขารลาปติยาวิญญาณังวิญญาณที่ปรากฏขึ้นมาในาจิตก็เป็นวิญญาณล้วนๆไม่เป็นวิญญาณสมุทัยได้นามรูปังอะไรที่เป็นรูปเป็นนามเป็นสราชนะสัมผัสต่างๆ บ้วนแล้วตั้งแต่เป็นหลักธรรมชาติของมันเฉยๆเฉย ๆ, ๆไม่ทําความกำเริบให้แก่จิตใ จ, จดวงเสียจสิ้นไปแล้วนั้นจงกระทั่งถึงเอวมเมตตาสกิวราสะบุขขั้นทัศน์ฮิโรโทโหติคำว่าเอวมเมตตาสกิวราสะสิ่งทั้งมวลที่กล่าวมานี้นั้น ได้ดับลงไปแล้วโดยสิ้นเชิงเรียกว่านิโรดเป็นผงใจนันการดับกิเลสกัญหาอวิชชาดับโลกดับสงสารจะดับที่ไหนถ้าไม่ดับตัวจิตซึ่งเป็นตัวโลกตัวสงสารตัวเกิดแก่เจ็บตายเชื้อของความให้เกิดแก่เจ็บตายก็ได้แก่ราคะตัญหาเนียอวิชชาเป็นสํำคัญมีอยู่ที่จิตดวงนี้เท่านั้น เมื่อได้ดับอันนี้ให้ขาดจระเด็นออกไปจากจิตใจหมดแล้วตอนนี้โรโทรโ้ตินานมีเท่านั้นนี่ละงานในการประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งพุทธการมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้คงเส้นคงวา ไม่มีที่ใดยิ่งยอ r n ในบรรดาหลักธรรมพิพพพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วว่าจะไม่ทันคุลมายาของกิเลสประเภทใดๆเป็นไม่มีจึงเรียกมัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทตลอดไปจนกระทั่งกิเลสไม่มีเหลือหรอด้วยหน้าแห่งมัชฌิมาปฏิปทานี้ให้พากันเข้าใจอย่างนี้ มีทางปฏิบัติตนให้ถือทมข้อ น, นี้ข้อความพ้นทุกเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหนือนโลกธาตุทั้งสามแล้วเราจะเห็นโลกธาตุทั้งสามีว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีเสียดีสูงกว่าความหลุดพ้นแห่งใจจากทุกทั้งหลายในโลกทั้งสามนี้ เราต้องเทียบเคียงให้เห็นเหตุเห็นผลประจักษ์ใจของตนความเพียงจะได้คืบหน้ากล้าตายต่อสงครามตายก็ตายไปเถึะถ้าตายด้วยการรบกรันพุ่งหิงชัยกับกิเลสอาสวะซึ่งเคยครอบงำหัวใจเรามานานไม่มีธรรมบทใดไม่มีเครื่องมือใดที่จะสามารถฟาดฟันหันแหลกกิเลสนี้ให้จง ลงไปได้เหมือนมัชฌิมาปฏิปชาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อแล้วนี้ไม่มีเลยฉะนั้นคำว่าพุทธังสนังกัฉามนี้จึงเป็นที่นอนใจเป็นที่แน่ใจเป็นที่สนิใจว่าได้ทรงบำเพ็ญเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างดังที่กล่าวมาแล้วนี้โดยสมบูรณ์แล้วจึงได้นำมาสอนโลก ส่วนขาโตพระกมตาถางูอันเป็นพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้ชอบแล้วด้วยการรู้จริงเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างพระจักพระไทยจึงไม่นําธรรมมาสั่งสอนโลกด้วยส่วกขาธระทำคือตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วสังฆาสนังกระฉามิพระสงฆ์สาวกท่านดําเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโดยไม่ย่อหย่อนอ่อนกําลัง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 ให้ฟังของจริงปฏิบัติของจริงสนใจต่อของจริงเราจะเห็นของจริงไปเรื่อยๆในท่ามกลางแห่งของปลอมที่มีอยู่เต็มโลกอย่าพากันสงสัยก <c oughs> <c oughs> ารปฏิบัติทมให้มุ่งทางด้านนามธรรมาคือศีลสมาธิปัญญาเป็นสำคัญยิ่ง <c oughs> เป็นสาคัญยิ่งกว่าด้านวัตถุ ด้านวัตถุนั้นพอเป็นพอไปก็พอแล้วบูสถานที่ใดคนเราเกิดมาจากมนุษย์ ม, มาเป็นพระก็มาจากคนคนเขามีบ้านมีเรือนพระก็ต้องมีที่พักที่อาศัยเป็นธรรมดาเราทำพอประมาณอย่าทำให้หรูหราอย่าทำแข็งลูกแข็งสงสารมันเป็นการสงสมกิลเลสขึ้นมา ปรากฏชื่อหือนามไปในทางโลกทางกิเลสมัวเราะเยาะให้ปรากฏชื่อหรือนามด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรแก้ไขถอดถอนตอนเองให้พ้นจากทุกภัยในวัฏสงสารนี้ชื่อว่าเป็นผู้เพิ่มอำนาจวาสนาโดยแท้อย่าได้ละความภาคเพียรของตนและอย่าลืมไปที่ไหนอย่าลืมเป็นบ้าการก่อสร้าง ไปที่ไหนก่อสร้างยุ่มไปหมดทุกวันนีหน้าอิดหนานละอาใจพอมองเห็นหน้ากันเปงไงเสลาเปลงไงโรงเรียนจนเสร็จแล้วยังชิ้นเงินเท่าไหร่ล้วนี่มันเป็นไม่เป็นอย่างนั้นกุฏิก็รูหรู้หลาลอะไรหรูหลาไปหมดยากโรมสู้ไม่ได้อของดีของ ด, องดีเขามาทำบุญให้ทาน เขากินเพียงกินอะไรก็ได้พอทำเนาขอให้ได้ของดีมาให้ทานพระกุฏิก็อยู่ดีๆเครื่องช้ไม่สอยก็มีแต่ของดีนอกนอกนั้นยังมีวิทยุยังมีเทวทัตธุรทั์และยังมีรถจดนกลกาอีกอู้น่าสลดสังเวชเหลือเกินทำไมข้าพระพุทธเจ้าแบบ ส, สดุดร้อนๆได้ลงคอด้วยความโอ้อาของตน ที่เป็นความลืดด้านไม่รู้สึกตัวเลยมันน่าละอายที่สุดขอให้คำานึงดื่อเอื่องแบบนี้ให้มากถ้าเราบวชเพื่ออุทิศ ต, ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ให้คำานึงถึงหลักถึงธรรมถึงการดำเนินของพระพุทธเจ้ายิ่ยงกว่าเรื่องใดๆสมัยใดๆก็ตา่างไม่มีสมัยใดจะเยี่ยมยิ่งกว่า พุทธสมัยธรรมสมัยสังฆะสมัยที่พระดำเนินมาอันนี้เป็นหลักใหญ่โตมากท่านตั้งหลายไปพืชประพืชปฏิบัตินี่การที ป, ปฏิบัติมามากพอสมควรเป็นผู้น้อยผมก็เคยได้เป็นไปศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์เฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์มั่นฟังจริงๆฟังท่านผูด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 เพราะฉะนั้นการปฏิบัติในวัดของเรานี้แม้จะผิดแถบแตกต่างกับวัดทั้งหลายบ้างผมก็ไม่สะทกสะทานผมไม่ได้คิดว่าเป็นการทำผิดเพราะมีแบบมีฉบับที่รับมาจากครูบาอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นแบบฉบับมาดั้งเดิมอยู่แล้วเราจรึงได้ผ่านมือเพื่อนดาเนินอย่างนี้ผิดถูกประการใดจะต้องพูดกันตามหลักเหตุผล ความเกรง อ, อกเกรงใจกันนั้นเป็นเรื่องของโลกการพูดกันโดยอัดโดยธทรรมเพื่อให้เป็นที่เข้าใจได้ปฏิบัติถูกนั้นเป็นธรรมแท้เพราะฉะนั้นคำว่ารูปหน้าปาจมูกจึงไม่มีในธรรมทั้งหลายของผู้มุ้ต่อธรรมด้วยกันในวาละต่อไปนี้ขอให้ท่านปัญญาได้อธิบายให้เพื่อนฟังเกิด ม, มากันนานพอสมควรต่อไปมโอกาสค่อยพูดต่อไปอีก